ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอท่านผู้ฟังถึงพระวาจาของพระโพธิสัตว์ในสมัยที่ยังคิดภายในพระไทยนะะปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้า แต่ได้มองเห็นโทษของการมราคะซึ่งเกิดขึ้นกับช้างทรงในสักขณะที่เสด็จเรียบพระนครก็เจอกระช้างพังต่นนั้นเองอาลวาดผู้วิ่งเข้าไปหานางช้างพังแม้จะสับโดยขอแออก้วมณีก็เอาไมา่อยู่จนพรมเองก็ตื่นสนุกต้องโหนต้นมะเดื่อขึ้นไปนั่งอยู่บนกิ่งมะเดือ่อ มาสอบถามทราบความแล้วก็ทรงเหตุว่าโทษของกรรมาราคะอยู่แรงด้วยแล้วเราองสังเกตว่าเรื่องเหล่านี้ที่มีการพูดถึงว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องอำนาจเงินจานแล้วก็สติก็ยุ่งๆในอย่างเงี้ย มีการยืแย่งมีการตร่อสู้มีการบราดพ่านการมีศึกสงครามขุนศึกขนาดยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยมาพ่ายแพ้ต่อสตรีตัวเล็กๆจักรพรรดินาโบเลียนก็มาพ่ายแพ้ต่อหนาจของสตรีริปโป้ก็มาพ่ายแพ้ต่อหนาจของสตรี คนสำคัญต้องการมีเป็นอันมากนะฮะในที่สุดก็มาตายด้วยสตรีตก็ในทํานองตรงกันข้ามก็สตรีก็มาตายด้วยบุรุษอีกเป็นอันมากเช่นเดียวกันก็ทั้งหมดด้านตัวการสําคัญก็อยู่ที่กา ร, รมราคะซึ่งมีอยู่ภายในใจของบุคคลทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะพื้นฐานจิตนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะว่า คนในโลกเดียวกันเนี่ยหรือแม้แต่บังมองภาพเดียวกันไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้สึกเหมือนกันตัวกำหนดริงไม่ได้อยู่ที่ภาพข้างนอกแล้วแต่มันอยู่ที่คุณภาพภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นคนคนหนึ่งอาจจะมองสาวงามเป็นสาวงาม แล้วก็หลงไหลคลั่งคลายจนไม่ได้สติสตังอีกคนหนึ่งมันก็อาจจะมองเป็นธรมธรมดาธรรมดาคนหนึ่งอาจจะมองทะลุผ่านไปถึงความจริงที่แท้จริงของสังขารเหล่านั้นตัวอย่างเรานี่มีอยู่ในสมัยพุทธกาลทั้งหมด เราจริงๆว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยมันไม่น่าเกิดเลยแต่มันก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องวินัยปฐมเหตุปฐมบัญญัติของวินัยบางข้อเนี่ยภิกษุบางรูปที่ยังอ่อนไหวไปกลับมารวมในทางเพศแล้วก็ไปทำไม่เหมาะไม่ควรกระสับกระสานบ้างแม้แต่กระสรกศพ บ, บ้าง แต่ก็มีมาอย่างนี้ตลอดทุก ป, ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาสติจนมาถึงปัจจุบันและในความเป็นคนไม่ใช่ในความเป็นพระถ้าหากว่าเข้าถึงสภาวะของความเป็นพระแล้วมันก็เอาชนะใจตัวเองได้เพราะในความเป็นพระที่จริงก็มีความเป็นคนอยู่ภายในใจพอใจท่านสูงพอถึงความเป็นพระหรือยัง ถ้ายัางไม่ถึงก็แข็งเสี่ยงอยู่นั้นแหละพะหลักการเหล่านี้เราจึงพบว่าพระพุทธเจ้าทรงมีวิธีป้องกันทั้งพุทสูตภพิษุณีนะฮะจะป้องกันมากแม้แต่เกี่ยวข้องกันเองไปมาฮาสู่กันเองพบปะกันเองไปไหนมาไหนด้วยกนันอะไรต่ะงๆมันห้ามไว้เยอะเลยพี่นายเป็นเรื่องต้องระมัด ร, ระวังเพราะว่าโทษของการมาลาคะนนี่มันแรง จนถึงเราพูดถึงตันหาหน้ามืดหมายความว่าความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเหตุผลสติปัญญามันก็ะเจิงไปเลยออกฐานะต่างไปเลยตรงนี้สมองเห็นว่าเหมือนกับไฟสมองเห็นเหมือนกับยาพิษซึ่งมันทำลายยิ่งกว่ายาพิษนะฮจากพิสูจน์ในสมัยพุทธกาลพิสูจ์รูปหนึ่ง คือยานั่งนึกอยู่นะฮะว่าระนางไอนางสิริมาเนี่ยตอนนั้นอายุท่านเขาต้องมากแล้วอ่ะท่านก็เป็นอุบาสิกาเป็นพระโสดาบันถวายอาหารเป็นนิจเป็นนิยพัทคือนิมน์พระมารับวันทง่สีห้ารูปก็มีเจ้าหน้าที่จัดทรงพระเปลี่ยนชุดกันมาเรื่อยมารับ และส่วนใหญ่พระนุ่งนไปรับก็ขนองปากก็ไปคุยสังเสริญความสวยงามของนางสิริมาจนภิกษุเหล่านี้เกิดรูปนี้ยเกิดจินตนาการไปบรรเจิดเพลิดเพลิงไปหมดเลยรอวันเวลาที่จะถึงโอกาสมารับสลักกพัดที่บ้านนางสิริมาพอถึงเวลาจริงๆนางสิริมาป่วยก่อนหน้านั้นมาสามวัน ก็คนใช้ก็ประคองให้มาตักบาทคนอายุมากแล้วแล้วก็ป่วยด้วยนะเพรา ะ, ะนันภาพนางสิริมาในความรู้สึกของภิสูรรูปนั้นก็คือภาพในจินตนาการภาพที่ท่านปรุง้วปหน้ า, าไว้ตั้งนานนะมันก็สวยบันเจิดเพิดพริงไปเลยก็เกิดลหลงไหลคลั่งคล้ายอยากจะได้นางสิริมา กลาวไปถึงว่าก็ไม่ฉันข้าปราอาหารนอนคุ้มโปรงเลยเอาบาทวางไว้ตรงนั้นพระพุทธเจ้าสุมรู้แต่ว่าก็ต้องปล่อยไปก่อนพอดนนีอีกสองสามวันนางสิริมาก็ตายก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแปลกเราก็ไม่เคยเจอในที่อื่นนะว่าพระพุทธเจ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับซากศพของลูกศิษย์มากมายขนาดนั้น แล้วก็บอกให้กล่าวทูลให้ทรงทราบว่านางสีมาตายแล้วก็รับสั่งให้ประกาศขายใครต้องการเอาศพนางซีมาก็มาเอาไปคือพันกระหาปณะนะแล้วก็โลดลงไปเรื่อยๆนะก็ไม่มีใครเอาจนให้เปล่าก็ไม่มีใครเอาศพมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆโดยธรรมชาติพอถึงเวลาเนี่ยศพอยู่ในสภาพที่เป็นครูได้อย่างดีแล้วก็ ประกาศกับภิกษุทางหลายบอกจะไปเยี่ยมนางสิริมาไม่ได้บอกว่าเยี่ยมศพนะฮะจะไปเยี่ยมนางสิริมาภิกษุรูปนั้นก็รู้ข่าวเพื่อนก็ไปบอกก็หายชิวเลยข้าวในบาตรก็บูดหมดแล้วก็เทบาตรเ ท, ทข้าวชิ้งแล้วก็ล้างบาตรก็ไปไปถึงราชาก็คอยพระสรับสด็จอยู่ก็รู้ว่าพระเจ้ามีมี อุบายวิธีอะไรในการเทศในการอาศัยศบต่างสิริมาเป็นครูแล้เสร็จแล้วก็สนทนาสอบถามวริเร่จนในที่สุดก็ให้ภิกษุนี่ดูรูปต่างสิริมาแล้วก็เพ่งดูความสวยซึ่งอยู่ภายในใจจากจินตนาการก็ดีความสวยที่เคยเห็นด้วยตาก็ดีความสวยที่เคยเป็นข่าวเล่าเลยก็ดีมันไม่มีเห็นตรงนั้น มีแต่ศพคนแก่คนหนึ่งที่เปือยหน้าผุพังมีกลิ่นเหม็นกระจายไปในทิศทั้งปวงแล้วพระเจ้าก็ส่งสอนในคิดจรนาโดยคาถานี่แหละคาถาที่เราคุ้นๆเนี่ยคาถาบางสกุลเนี่ยบสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดากิดขึ้นแล้วก็ดับไปการดำใจสงบระนับในสังขารจะได้ก็จะเป็นความสุข ก็ปรากฏว่าภิกษุนั้นบรรลุมรคลเป็นประสบบันเฉพาะตรงนั้นนะ น, นะนั้นเราจะเห็นว่าใจมันเกิดตานหาหนามืดขึ้นมาแล้วเนี่ยตเตลิดไปเลยแล้วก็มีพระรูปหนึ่งอาศัยพัญญาของท่านคนเดียวชื่อเดิมไม่น่าจะชื่อท่านนะนะเกวจิตตะหัตถกะคือหมายความว่าทําอะไรไปตามความคิดของท่าน ท่านเที่ยวสึกทเที่ยวบวช ด, ดูเนี่ยก็เรียกว่าเจ็ดครั้งด้วยกันเห <Okay, S 1> ผลของท่านในการบวชก็คือมันสบายดีมีอาหารการกินอยู่สบายดีไม่เดือดร้อนไม่ต้องทํางานแต่บวชไปบวชมาก็คิดถึงเมียก็ลาสึกก็กลับไปอยู่กับเมียวลไปวนมาอย่างเงี้ยจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยพันดามีคันแก่แล้วตอนนั้นท่านก็สึกไปแล้ว ไปทำงานเหน็ดเหนื่อยอยู่ในไร่ในสวนก็กลับเข้าบ้านพันยานอนหลับกลางวันหลับกลนด้วยภาพพอก็ไม่ใคจะเรียบร้อยจงยืนดูก็เห็นเป็นศพไปเลยก็พิจารณาเออเราในอาศัยร่างกายนี้เองก็ดึงเราศึกเที่ยวบวเที่ยวเที่ยวบวัวเที่ยวศึกอยู่ตั้งหลายเที่ยว พิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายพิจารณาถึงความปฏิคูณของสังขารร่างกายเจนเห็นไตรลักษณ์โดยอนิจจตานะฮะโดยจะพอเห็นอนิจจตานะความเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่ยั่งยืนความแปรผันของสังขารร่างกายจเจริญวิปัสสนาตรงนั้นมองดูตรงนั้นเลยจเจริญปัสสนาตรงนั้นแล้วก็เดินพิจารณาตามไปก็บรรลุเป็นพระโสดาบันระหว่างทางไปถึงขอบวช ไอ้เพื่อนบอกมันไม่ไหวแล้วอะนะบวชมาเยอะแล้วแต่ว่าอีตอนท่านบวชนี่ท่านดีทุกทีท่านประพฤติปฏิบัติดีไม่มีปัญหาอะไรเลยพอเอาละบวชให้อีกเที่ยวหนึ่งก็โดยรอกันซุบซิบกันเมื่อไหร่จะสึกละ่ะไม่สึกไงเพื่อนก็สงสัยสอบถามมาท่านจิตตะไม่สึกเหรอเที่ยวนี้รู้สึกอยู่นานนะ ท่านบอกเมื่อก่อนมันเหตุให้ศึกมันมีก็ต้องศึกเดี๋ยว น, นี้เหตุให้ศึกไม่มีเลยก็ไม่ต้องศึกท่านบรรลุมาผลเป็นพระหังไปแล้วภิกษุว่าถือว่าพยากรพระอรหันต์คือหมายความว่าอวดตัวเองนะปุ๊งยังว่าอวดตัวเองไปกราบทูลหลวงพ่อเจ้าหลวเจ้าก็แสดงความจริงให้ทราบทีนี้เราจะเห็นว่าตัณหาราคะเนี่ยมันลากคนไปกันนะลากไปลากมาลากมาลากไปทีนี้ตัณหาราคะเนี่ย นัไอ้แคลเรียกว่าราคะกับโลภะนี่เป็นกิเลสประเภทเดียวกันแต่โลภะมันจะเน้นไปที่รู ป, ปรวัตถุราคะนั้นก็รู ป, ปรวัตถุนั่นแหละแต่เน้นใ น, นทางเพศ พ, พระพุทธเจ้าก็รับสั่งเล่า ว, ว่าพระองค์เองก็เคยเจอสภาพจิตอย่างเนี้ยในสมัยที่เป็นพระโพชฌดก็เล่าเรื่องคุณฑานบัณดิต บวชเป็นฤาษีนะแต่ไปติดเดียที่จอบเพี้ยนก็อะไรละ่ะเข้าฟางลูกเดือแล้วก็เชือดผ้าชุดระว่าชุดหนึ่งพอถึงฤดูที่จะปลูกเข้าฟางลูกเดือท่านก็สึกทุกทีมาทํานาเมาก็ทํานาก็ฟันดินเอาไม่ได้ไถ น, นะฮะจอบเพี้ยนก็ฟันดินเอาก็หวานเข้าฟางปลูกลูกเดือแล้วกเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็เรียกว่ากินได้ปีหนึ่งอะ่ะแล้วกเก็บส่วนที่จะเป็น พันเอาไว้ปลูกในปีต่อไปก็เป็นห่วงทองบวชเป็นฤาษียังห่วงทองอยู่แล้วในที่สุดบอกเห็นว่ามันไม่ได้เรื่องเที่ยวบวเที่ยวสึงนอย่างนี้ไม่ร่อกี่เที่ยวแล้วเลยตัดสินใจเอาพวกนี้มัดรวมกับด้านเจาะเ้วก็ยืนหมุนตัวเองริมแม่น้ำกรงขาแล้วก็ปาลงไปแล้วก็หลับตาไม่ยอมดู จนที่ตกเนี่ยไม่มีรอยน้ำให้เห็นไม่มีน้ำคลื่นให้เห็นละถ้าก็ลืมตาตัดสินใจก็อยู่เป็นฤษีและสภาพจิตอย่างนี้มันมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราพูดถึงัยในวันก่อนที่เรียกว่าัยคือปลาลา ย, น, ยนั้นก็คือเพศตรงกันข้ามที่นุ่งห่มไม่ค่อยจะเรียบร้อย ก็แล้วแต่ใครจะมองใครนะฮะแตสรุปว่าเนี้คือคือคือคื อ, ค อ, คอตัวเหตุให้เกิดรกรมรรคเราจะ ว, ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงในตัวด้านกายภาพและด้วยด้านจิตอ่อนแอจิตใจเวลาหนึ่งขณะหนึ่งมันก็มองไปอีกอย่างหนึ่งก็อย่างชัดเจนก็คือตัวอย่างพระจิตตาหัตถกะว่าก็มีคนนั้นแหละที่ดึงท่านสึกไปหกเจ็ดครั้งเนี่ยแล้วก็มีคนนั้นแหละที่ทําให้ท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระหานได้ มันก็แสดงว่าขณะของจิตเนี่ยเขาเรียกว่าบารมีมันแก่กราขึ้นในเวลาหนึ่งก็เห็นหนึ่งหนึ่งเรื่องเดียวกันจุดเดียวกันนั่นเองเวลาหนึ่งมันก็เห็นไม่หออยิกรอยางเลซึ่งภาพเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษอะไรคือปกติ ปกติธรรมดาเราลองดูสังเกตว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเราตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเขาท่านเพลิดพลินอยู่ในปราสาท ร, ราชวังก็พอดสมควรน่ยนะนะแต่ว่วันดีคืนดีมันก็เกิดเห็นผู้หญิงเหล่านั้นแหละกลายเป็นซากศพไปได้เหมือนกักบเจ้าศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้าแล้วก็พระยาศาเองก็เห็นในรัษนายอย่างนั้น นั่นก็หมายความว่าการมราคะมันก็มีอยู่แต่ว่าปัญญาบารมีมันแก่กล้าขึ้นตัวนี้ไม่มีอิทธิพลอะไรที่จะปรุงจิตให้ไปคิดปรุงเกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีไปด้วยประการต่างๆมีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านเก่งมากชื่อประสุนทรสมุทรอย่างนึกว่ายิ่งใหญ่นะคือเราถือว่าเป็นวิรกรรมได้ยิ่งใหญ่มาก เกิดท่านเป็นลูกโทนคนเดียวของเศรษฐีถ้าเกิดสถาจะบวชพ่อแม่ไม่ยอมให้บวชในสุดท่านประท้วงวิธีประท้วงของลูกเศรษฐีสมัยนั้นก็คืออดข้าวนะไม่ยอมกินข้าวเพื่อนก็มาอ้อนวอนขอร้องให้กินก็ไม่กินในสุดก็ต้องอ้อนวอนพ่อแม่ขอให้บวชไปก่อนเถอะแล้วค่อยดึงกลับมาทีหลังนั้นจะตายจะเปล่าเปล่าก็เลยปรอให้บวชแม่ก็วางแผนไปจ้างผู้หญิง ว่าใครก็ตามที่เอาลูกชายศึกมาได้เนี่ยก็จะรับเป็นสะพายจะจะให้เงินให้มรดกด้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งอาสาสมัครติดตามล่าพระสมณฐรสมุทรปฏิสนิทไม่ได้แสดงอะไรแสดงเป็นทายิกาที่ศรัทธาในศาสนาเรียบร้อยติ่มติมเรียบร้อย นิมนต์มาฉันพัตตาหารประจำเพราะว่าพระเราพอออกจากไกลบ้านญาติพี่ น, อน้องทีจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือบินฑบาดไม่ค่อยได้ทนสมัยนั้นก็เหมือนกันเนี่ยท่านก็มีปัญหารเรื่องอาหารเมื่อโยมนิมนต์รับอาหารประจำท่านก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องอาหารก็มานิมนต์มารับอาหารประจำที่บานนั้นก็นิมนต์ให้ฉันนิมนต์ไปเรื่อยคุ้นเคยไปเรื่อย แล้วก็สร้างเรื่องสร้างราวจนถึงก็ น, นิมนต์ท่านขึ้นไปฉันอยู่บนปร า, าสาทชั้นที่เจ็ดก็แสดงว่าต้นพุทธการนะนะฮะวินัยที่ห้ามพระอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองก็คงยังมยังไม่ได้ปั ญ, ญัต่อขึ้นฉันบนนั้นผู้หญิงก็เริ่มยั่วยวนเป็นมารยาหญิงท่านเล่าเอาไว้ทุกสึกว่าสามสิบแปดหรือสี่สิบแปดข้อสารพัดยั่วยวนท่านเห็นท่าไม่ดี่ะ เริ่มพิจารณาและเจริญกรรมฐานพิจารณาเลยตอนผู้หญิงก็โยโยนสารพัดวิธีแต่ท่านเริ่มเห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของสังขารร่างกายทั้งหลายท่านก็มองไปอีกเรื่องหนึ่งก็โยโยนอีกเรื่องหนึ่งทล้วก็คิดคิ ด, คดอีกเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพยายามรับสั่งกับพระนอดุโมอานอน์สุทโธนสมุดกำลังทําสงครามใหญ่พระนอนุนี้เข้าใจนะะ ถามว่าใครจะชนะพระเจ้าค่ะรับสั่งมาสุนถอดสมุดจะชนะท่านอาศัยการรั้วยวนของผู้หญิงด้วยมายาทั้งหมดแล้วก็ท่านก็บอกไว้นะในอัตถกคถาทธรหมท่านเล่าไปหมดว่าทำยังไงบ้างเล่ารายละเอียดไปหมดเลยสมัยนั้นอิเดียไม่เบานะฮะอารยันเนี่ยไม่เบาเลยมีการมาสูตรมีการศึกษาการมาสุาการิการนโยก็ไปกันลิบเลย ไปกันสุดกูสุดขั้วทางวัตถุนิยมแล้วก็จิตนิยมแต่เลยมีปััสนาบนรรลุมรควนเป็นพระหันเกิดอาศัยปีติแล้วก็เลื่อนลอยมาทางนาภากาศออกตหนตาตางมาเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นคือแสดงให้เห็ น, นว่าข้างนอกนีมน่มันมันรุ่ยวนแรงมากเลยแต่ข้างในแข็งแกรง่ง สนสภาพจิตตรงนี้สรงสะท้อนภาพของบุคคลสองกลุ่มสงใช้คำมาลีว่าสุภานุปั ส, สิงวิหารันตังอินทรเยสุอสังมุตังคนที่มีปกติเห็นว่าสวยงามเร็ว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจะต้องด้วยก็จะไม่สำรวมระหว่างอินทรีย์ ก็อยากดูอยากเห็นไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะไม่รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารสถาเองก็จะงอนเงันความเพียรเองก็ย่อหย่อนเกิดถ้าคนเป็นอย่างนี้และจิตใจมันจะอ่อนแอเหมือนกับต้นไม้ที่เกิดริมเขาขาดรริมแม่น้ำเนี่ยมโอกาสที่จะหักโค่นมันง่ายมานั้นแสดงว่า อารมข้างนอกไม่ต้องแรงก็โค้นแล้วแต่ในขณะเดียวกันถ้าพื้นฐานจิตมันดีควรใช้คําว่าบุคคลที่มีปกติเห็นไม่สวยไม่งามเป็นการมองทะลุ ค, ความจริงเข้าไปภาพมายาเข้าไปไม่ใช่ความจริงเข้าไปเพราะสิ่งที่เราเห็นนี่มันเป็นมายามันไม่ใช่ความจริงตัวอย่างนึกถึงพุทธสูตรูปหนึ่งท่านจเจริญอติกะสัญญา คือมองสิ่งทั้งหลายเป็นกระดูกแล้วท่านเห็นเป็นกระดูกจริงๆนะฮะเจริญกรรมฐานเนี่ยก็ผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินผ่านไปกับทะเลาะกับสามีเดินผ่านไปแต่พระท่านก็ไม่ได้มองดู่ท่านก็เดินพิจารณาไปเรื่อยๆกูหญิงเมื่อเกิดมันไสอะไรกันมาผมแกวหวเราะพระก็จะเนื้อขึ้นดูแต่ว่าท่านจเจริญอธติกรสัญญาท่านมองเห็นเป็นร่างกระดูกไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ผู้หญิงกูชาย ก็ต่อมาสามีเขาตามผ่านมาว่าพระคุณเจ้าเห็นผู้หญิงเดินผ่านไปทางนี้บ้างไหมตอนนั้นท่านออกกรรมฐ า, านเนะี่ยท่านบอกว่าไม่ทราบผู้หญิงหรือผู้ชายนะแต่เห็นร่างกระดูกไปเดินผ่านไปร่างเลยอันนี้คือคือคือแสดงว่าภายในจิตใจของท่านนี่ยเยี่ยมมากลักษณะเหล่านี้ยมันทําให้เขีนถึงจุดแตกต่าง ว่าการฝึกปลือมธรรมะในทางศาสนานั้นไม่ได้เปฝึกปลือกจากข้างนอกคือเราไปแก้ภาพข้างนอกไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องใจใครใจมันแต่ละคนรับผิดชอบใจตัวเองคือแก้ไขที่ใจตัวเองตรวจสอบดูตัวเองปรับปรุงดูตัวเองแก้ไขที่ตัวเอง นะส่งใช้คาําบาลีว่าจงเปตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบต น, ด, บ น, ตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนแล้วก็แก้ไขตนด้วยตนเองและการตรวจสอบเป็นหลักการสําคัญที่มองกลับเข้ามาข้างในเพราะปัญหาตรงนี้เราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้โทษช้างแต่ช้างมันกลายเป็นครู ไปกลัวเห็นโอโหการมราคะนี่มันรุนแรงนะเอาไม่อยู่เลยคุมตัวเองไม่ได้เลยคนเสียผู้เสียคนเสียบ้านเสียเมืองกันเพราะเรื่องการมราคะพรโะโลภะเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมานล้วเพราะก็ทําให้มองเห็นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการเกิด จึงทรงเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นพระดํารัตครั้งแรกก็ออกมาข้างนอกพอเราสัตวู้แล้วจะให้คนคนอื่นสัตวู้ด้วยเราพ้นแล้วเราพ้นจากกิเลสแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามโลกได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยมหาสมุทรคือวัตถะสงสารนั้นมีภัยมากตัวอย่างที่เคยจําแนกให้ฟังไว้หลายวันนะฮะว่าภัยเนี่ยมันมีที่จริงมันมีมากกว่านั้นยกตัวอย่างมาให้ดู เราจะเห็นว่าโลกัศน์หรือว่าชีวทัศ น, น, น, น, น, น, น, น์ในภาพอย่างเดียวกันปัญหาสำคัญอยู่ที่จิตวิญญาณของบุคคลเ่านั้นเป็นยังไงและแม้จะในขณะที่ต่างกันเห็นมภาพอย่างเดียวกันแต่ว่าคนละขณะคือหมายความอารมณ์เราเปลี่ยนไปความรู้สึกนี้คิดเราเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงไป ทางทั้งทีภาพนั้นอาจจะเป็นภาพเดิมแต่ว่าในแง่ของสังขารจริงๆภาพเดิมไม่มีนะฮะภาพมันก็เกิดดับอยู่ทุกขณะเหมือนกันถ้าพูดแบบธรรมดาธรรมดาก็คือคนเดิมหรือสิ่งเดิมที่เราเคยกำนัลรักใคร่พอใจอยู่เนี่ยแต่เมื่อมองอีกจุดหนึ่งอย่างพระจิ ต, ตาหัตถะท่านมองภาพเดียวกันนะฮะคนเดียวกัน แต่เราจะเห็นว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของพรนยาของท่านเองที่เป็นส่วนกระตุ้นเตือนให้ท่านบรรเทากามราคะซึ่งเคยดึงท่านสึกออกมาจากวัดตั้งเจ็ดครั้งแล้วก็ทําให้ท่านกลับไปบวชแล้วก็กลายเป็นพระานเข้ามาได้อันนี้ก็คือเป็นเป็นลีลาชีวิตเป็นแบบของชีวิตที่สอนคน มีเจตนาแล้วมีการกระทําแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําแล้วหมายความว่าถ้าใครเข้มแข็งอย่างนั้นก็จะเป็นเช่นเดียวกับท่านถ้าอ่อนแออย่างนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับท่านที่อ่อนแอนั่นเองมันเป็นการดเดินซ้ํารอยของคนในอดีตกันกทุกคนปนัญหาว่าเดินไปทางไหนท่านั้นทต้องฝั่งทาง่านไร แต่รมาโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียง น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรในธรรมจูบีดต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี